เต็มสิเนี่ยจะได้สี่เด็กเนี่ยเรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลนครนัชชีมาสมัยเรียนเนี่ยเรียนไม่ค่อยจะรู้เรื่องอย่างเช่นภาษาอังกฤษสอบเต็มสิบเนี่ยจะได้สี่จะสอบตกเรียนไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจะต้องทํำยังไงและอย่างวิชาเลขเนี่ย น, นะคะจะไม่เคยรู้เลยว่าเครื่องหมายมากกว่ากับเครื่องหมายน้อยกว่าได้เป็นยังไงจะมารู้ตอนมัธยมแล้วก็เคยสอบไหมคะวิชาเลขทันิคิดในใจ ไม่เคยใช่ไหะ ส, สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีวิชาเลขคณิตคิดในใจให้สอบโดยการบอกโจทย์มาแล้วให้เราคิดเลนับเลขในใจจะนับไม่เป็นว่าจะต้องบวกจะต้องทดเลขยังไงจะเรียนไม่รู้เรื่องเลยนะคะแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยตาจะมองออกไปนอกถนนว่าอยากจะกลับบ้านอยากจะกินข้าวอยากจะไปเล่นอังคารุงอยากจะไปเล่นวอลเลย์ใจจะไม่เคยอยู่กับ วิชาที่เรียนแล้วก็จะเรียนไม่รู้เรื่องสมัยเรียนสมัยเรียนปถมนะคะที่โรงเรียนนุบาลพอมาเรียนโรงเรียนสุรละม .1 ม .2 เนี่ยก็เรียนไม่รู้เรื่องอีกสมัยเรียนนี่ก็พี่เล่นดนตรีไทยด้วยใจก็อยากจะไปเล่นดนตรีอยากจะไปเล่นดนตรีอยากจะไปเล่นวอลเล่จะไม่เคยอยู่กับวิชาที่เรียนพอเห็นท่าไม่ไหวแม่พี่เห็นท่าไม่ไหวก็พามาที่วัด ก็ได้มาพบกับหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธก็บอกวิธีว่าจะต้องทําวิธีอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะบอกตอนหลังว่าทําอย่างไรพอเราได้วิธีนี้ไปแล้วพี่ก็ไปหัดใช้ในระยะแรกที่หัดใช้เนี่ยจะพบว่าจะลําบากมากจะจะบังคับใจได้ลําบากมากว่าจะทํายังไงให้ใจจดจ่ออยู่กับที่แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ทําได้เพิ่มมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยทําได้เป็นทั้งชั่วโมงเลยทั้งห้าสิบนาทีเลยแล้วพอ ขึ้นมามสีมหม 4, หก็เรียนดีขึ้นเรืเ่อยๆจนจบปริญญาตรีพอจบปริญญาตรีสมัยเรียนปริญญาตรีนี่ประสบความสาเร็จมากนะคะเ ร, เรียนได้อย่างรู้เรื่องที่สุดคือตอนเรียนปริญญาตรีแล้วก็มาเรียนปริญญาโทในสมัยเรียนปริญญาโทเนี่ยก็เรียนได้ดีอีกเช่นกันพอจบปริญญาโทก็มาสอบเรียนต่อได้รับทุนไปเรียนต่อปริญญาเอกแล้วตอนตอนนี้เรียนอยู่ที่ที่อเมริกานะคะก็ได้รับความทุกข์ยากลําบากกับภาษาอังกฤษ ก็ใช้วิธีที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ในการเรียนแล้วก็ได้เรียนเรียนได้อย่างคิดว่าน่าจะผ่านนะคะตอนนี้ยังเกรดยังไม่ออกแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาวิธีก็คืออันนี้ตั้งใจฟังนะคะวิธีเรียนได้ทํำยังไงก่อนจะเรียนทุกวิชาเนี่ยเราจะบอกกับตัวเองก่อนว่าต่อไปนี้เวลาสมมติว่าเราจะเรียน9ก้าโมงหนาทีนะคะเราจะบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวเราจะเรียนวิชาเลขแล้ว จะต้องเรียนให้รู้เรื่องเราบอกกับตัวเราเองนะคะเราจะตั้งใจเรียนตลอด50นาทีแล้ววิธีก็คือรีบเข้าไปนั่งเรียนนะคะหาที่นั่งตรงกลางห้องแต่ทีนี้น้องๆคงจะมีปัญหาว่าทีนี้ทุกคนแย่งที่จะเรียนนั่งกลางห้องใช่ไหมนั่งกลางห้องให้ตรงกับครูผู้สอนทีนี้ถ้าสมมติว่าน้องๆ50คนในห้องเนี้ยต้องการจะนั่งที่เดียวกันเนี้ยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะคราวนี้เราเอาใหม่เรานั่งที่ตรงไหนก็ได้ แต่บอกกับตัวเองว่าเราจะตั้งใจเรียนแล้วก็พอครูเริ่มเข้ามาก็รีบจ้องจ้องมื่อแป่ครูเข้ามาเลยนะคะวิธีจ้องนี่ไม่ใช่จ้องหาเรื่องจ้องจ้องเพื่อที่จะให้จิตเราเนี่ยจับไปที่ใดที่หนึ่งพอครูเริ่มเข้ามาก็เริ่มจ้องแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเราจะตั้งใจเรียนเราจะเรียนให้รู้เรื่องพอครูเริ่มพูดเราก็ค่อยๆค่อยๆนะคะ อันนี้ต้องใจเย็นๆค่อยๆบอกกับตัวเองว่าต่อไปนี้เราจะเริ่มเรียนแล้วเราจะตั้งใจเรียนเราจะต้องเรียนให้รู้เรื่องเราจะต้องออพยายามจับตามองไปที่ครูนะคะแล้วก็หายใจเข้าสบายๆทําใจสบายๆพอครูเริ่มพูดเราก็เริ่มจับจับตาไปที่ครูนะคะแล้วก็ค่อยๆฟังว่าครูก็พูดอะไรให้ใจเนี่ย ไปอยู่ที่ตัวครูแล้วอย่าไปวอกแวกเอ๊ะเพื่อนจะทําอะไรเพื่อนจะทําอะไรเวลาเวลาใกล้หมดหรือยังเคยเป็นไหมคะเวลาเรียนหูอีกต้องสี่สิบนาทีเนะี่ยนาฬิกานี่ไม่ต้องไปดูเลยนะคะให้พลิกกลับไว้ให้พลิกกลับไว้อย่างนี้ <c oughs> ให้เอานาฬิกาเนี่ยลงมาไว้ข้างล่างจะได้ไม่ต้องไปอยู่ที่นาฬิกาเพราะบางคนเนี่ยถ้าไม่ชอบวิชาไหนก็จะพลิก อีกตั้ง50นาทีเนะี่ยอีกตั้ง49นาทีเนะี่ยอีกตั้ง48นาทีเนะี่ยปรากฏว่า50สนาทีก็พิกนาฬิกาดู50ิบขนอันนี้เลิกเลิกทำอย่างที่หนึ่งคือไม่ต้องไปเสียดาที่นาฬิกาให้มองไปที่ตัวครูนะคะแล้วครูก็พูดอะไรเนี่ยก็พยายามตั้งใจฟังแล้วก็เอาใจเนี่ยจดจ่อไปที่ตัวครูแล้วพอเรียนเสร็จเราก็บอกว่าบอกกับตัวเองว่าเราได้เรียนเสร็จแล้วต่อไปนี้กลับไปบ้านเราจะทบทวนวิชาที่เรียน พอเรากลับไปบ้านวิธีทบทวนเนี่ยทำได้หลายวิธีอาจจะนั่งอ่าน <th> นั่งอ่านในสิ่งที่ได้จดมาหรือว่านั่งหลับตาก็ได้นะคะของพี่นี่พี่จะใช้วิธีนั่งหลับตาแล้วก็นึกว่าวันนี้ได้เรียนอะไรมาแล้วก็นึกเริ่มต้นครูพูดอย่างนี้กลางชั่วโมงครูพูดอย่างนี้ท้ายชั่วโมงครูพูดครูพูดอย่างนี้สรุปว่าวันนี้เราเรียนอะไรมาเราทำอย่างนี้ทุกครั้งที่ครูสอนน ะ, ะจนในที่สุดเนี่ย จะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ว่าเอ๊ะเพราะฉะนั้นวิชานี้ทั้งชั่วโมงที่ทั้งทั้งหมดที่เรียนมาเนี่ยข้อสอบควรจะเป็นอย่างนี้เนอะลองไปทําดูนะฮะว่าเราพยายามทบทวนทุกวันแล้วก็พยายามสรุปแต่ละวันว่าข้อใหญ่ใจความของที่เรียนแต่ละวันนี่คืออะไรแล้วก็นึกทําอย่างนี้ทุกวันก่อนนอน หรือว่าหลังจากกลับมาเรียนแล้วพอในที่สุดเนี่ยน้องจะพบว่าหัวใจสำคัญของวิชานี้คืออะไรแล้วเราก็จะรู้ว่าข้อสอบเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างไรน้องฟังเนี่ยน้องอาจจะนึกว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อเป็นเรื่องลึกลับแต่จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่เกิดกับตัวพี่เองแล้วพี่ก็คิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่เหนือบ่า ก, กว่าแรง